มีคนจีนปลอมปนๆอยู่ลิมๆหลายคนหลวงพ่อขอตารับนะชาวจีนนะที่วัดหลงพ่อที่จริงหลวงพ่อก็เป็นลูกครึ่งพ่อเป็นคนจี น, นในเมืองไทยนะส่วนใหญ่ก็เป็นลูกผสม มีเชื้อจีนปนๆกนนันเกนดูหน้าเนี่ยแยกไม่ออกว่าเป็นคนไทยหรือคนจีนดูลำบากวันนี้เขาจะให้หลวงพ่อถรวการบ้านใชยไหกว่ า, าเริ่มเลใครก่อน เขาขอทำสองข้อข้อแรกคือเวลาโทสะ ท, ที่แรงๆไม่สามารถเห็นได้เมื่อรู้ทันคือจิตถูกโทสะย้อมแล้วเขาจะรู้ว่าทํายังไงเวลาโทสะเกิดขึ้นจะรู้ทันได้เร็วขึ้นครับรู้บ่อยๆ อ, อาทิตย์แรกก็ต้องกิเลสแรงๆถึงจะเห็นเป็นทุกคนเลยพอเราเห็นสภาวะที่กิเลส ผุดขึ้นมานะมันก็ดับ น, นี่ตอนที่มันผุดขึ้นมาเราไม่เห็นมันครอบงําใจเรา น, นี้ถ้ามันครอบงาใจแล้วก็อย่าไปลุ้มใจก็แค่รู้ว่าตอนเนี้ยกิเลสมันครอบงําอยู่รู้ด้วยความเป็นกลาง จ, จริงๆนะกิเลสจะอยู่ไม่ได้หรอก น, นี่เราทีแรกหัดเรากิเลสแรงๆครอบงํำเราแล้วถึงจะ ม, มารู้ทีหลัง หัดดูบ่อยๆต่อไปกิเลสมันไหวตัวขึ้นมาจากกลางหน้า อ, อกเนี่ยมันไหว้หมามันขัดใจเล็กๆนะไม่ถึงขนาดเป็นโทสะแค่ลาคาญใจอะไรขมก็เห็นแล้วลนะ่ะอยู่ที่ชั่วโมงของการฝึกฝึกมากๆก็เห็นเร็วขึ้นเร็วขึ้นหลวงพ่อเป็นคนชิมโมโหนะ ก่อนนิสัยชี้โมโหม่นหงิดง่ายมาหัภาวนาทีแ้วก็โกรธแรงๆนย่จะเห็นในพอสติเราเร็วขึ้นรำคาญใจนิดหน่อยก็เห็นละดูไปเรื่อยๆมันยังมีเชื้อของโทสะซ่อนอยู่ในจิตมันเหมือนต้นไม้ต้นยารากมันยังมีอยู่ถึงเวลามันก็งอกเป็นต้นยาขึ้นมา อนุใสกิเลส ท, ที่ซ่อนอยู่ในใจเราเนี่ยแล้วมันยังเหลือเชื้ออยู่ถึงเวลาก็ผุดขึ้นมาถ้ารู้ได้เร็วกิเลส ท, ที่ยังตัวเล็กอยู่ถ้ารู้ได้ช้ากิเลสก็ตัวโ ต, วตวหน่อยเหมือนเวลาไฟไหม้เวลาไฟไหม้นะเราเห็นตั้งแต่ไฟเริ่มไหม้ก็ดับง่ายกองไฟยังเล็กๆอยู่ พอไฟลามมากๆแล้วระดับลําบากขึ้นหน่อยธรรมดามนะัไม่ต้องกังวลใจของเขามันมีปัญหาตัวหนึ่งคือพอเห็นว่าตัวเองมีข้อไม่ดีแล้วเนี่ยมันไม่ชอบมันไม่พอใจที่ตัวเองมีกิเลสนะมันกลายเป็นกิเลสซ้อนกิเลสอีกตัวหนึ่งทีแรกจิตมีโทสะ เราพอรู้ว่าจิต ม, มีโทสะก็โมโหตัวเองอนะทาไมมีโทสะอีกแล้วแล้วก็มีความอยากอยากให้มันไม่มีโทสะเนมันกิเลสทั้งนั้นเลยค่อยๆหัดรู้ไปทีละส่วนทีละส่วนต่อไปเรารู้จักกิเลสได้หลากหลายนะมีโทสะผุดขึ้นมาเรายังไม่เห็นหรือพอเราเห็นแล้ว ตอนที่โทสะพุแล้วเราไม่เห็นเนี่ยเพราะเรามีโมหะโทสะพุทเราเห็นเนี่ยเรามีสติรู้ทันแต่ใจเราไม่เป็นกลางเราไม่ชอบเนี่ยโทสะแทรกเข้ามาลนะเรารู้ว่ามีโทสะตัวเนี้ก็ใช้ได้ลนะโทสะก็จะดับแต่ถ้าเราไม่รู้รไม่มีโทสะซ้อนโทสะไม่ชอบที่ตัวเองโกรธถ้าเรารู้ทันใจที่ไม่ชอบ ใจที่จะเป็นกลางฝึกไปเรื่อยๆมันจะเห็นเป็นช็อตๆๆไปอีกข้อหนึ่งลนะ่ะขอคําแนะนำจากหลวงพ่อครับอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนไปภาวนาไม่ใช่เพื่อจะเอานะแต่ภาวนาเพื่อจะลดละความอยากในใจเราภาวนาแล้วก็ยิ่งอยากพ้นทุกข์อยากดีอยากสุขอยากสงบ อยากได้มรรคผลนิพพานก็ยิ่งทุกหนักกว่าเก่าอีกฉะนั้นภาวนาไปเถอะจิตเป็นกุศลก็ได้จิตเป็นอกุศลก็ได้ทั้งกุศลทั้งอกุศลสอนธรรมะเราเท่าๆกันคือสอนว่าทุกอย่างเกิดเราดับในที่สุดใจเราจะเป็นกลางเวลากุศลเกิดใจไม่หลงยินดีอกุศลเกิดใจไม่หลงยินร้ายใจเป็นกลางใจก็ไม่กระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลง นะใจเข้าสู่ความสงบสันตินะิ ใ, นใจเราที่ก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงเพราะมันไม่เป็นกลางมันชอบอันนี้มเกลียดอันนี้ได้สิ่งที่ชอบมาใจก็ฟนะูไปเจอสิ่งที่ไม่ชอบมาใจก็แฟบลงไป ใ, ใจที่แป่งๆนะไม่มีความสงบสุขถ้าใจมันฉลาดมันจะเห็นสุขหรือทุกข์เกิดแล้วก็ดับเหมือนกันดีหรือชั่วเกิดแล้วก็ดับเหมือนกัน ทุกอย่างเท่าเทียมกันก็จะไม่หลงยินดีไม่หลงยินลายถ้ายินดีรู้ทันยินลายรู้ทันมันก็จะไม่ยินดีนริายเสร็จแล้วพอไม่ยินดีนริายรู้สภาวะด้วยใจที่เป็นกลางใจก็จะไม่ที่หลนปลุกแต่งต่อใจเข้าถึงสันติสุขความสงบสุข ใ, ใจเราก็ต้องฝึกนะเดี๋ยววันหนึ่งก็สงบสุข ถามหลวงพ่อมาสองข้อแล้วหลวงพ่อถามว่าเอาลูกไปทิ้งไว้ไหนเมียก็มาด้วยเออ他的外公外婆在带ตาตายายช่วย ด, ดูแล อ, อยู่ครับเอดีคนไทยก็ชอบแบบนี้นละมีลูกก็ให้ตายายเลี้ยงเอาคนต่อไป เขาเรียนธรรมะห้าปีแล้วฟันธรรมะทํารูปแบบทุก ว, วันจเจริญสติอยู่และชื่อใประจาําวันจะขอคาแนะนำจากหลวงพ่อครับที่ฝึกอยู่มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะมันก็พัฒนาขึ้นแต่ในขณะเนี้ยจิตเราไม่เข้าฐานทีเดียวจิตมันสบายๆไปอยู่ข้างนอกๆมันไม่ย้อนเข้ามาที่ตัวเองอย่างขณะเนี้ยจิตลงไปคิด ให้รู้ทันไม่จิตไปคิดแล้วจิตก็ยังไม่เข้ามาที่ตัวเองจิตยังอยู่ข้างนอกนะลองหายใจเล่นๆสิอย่าถึงจิตนะหายใจเฉยๆสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างหายใจไปตรงนี้สังเกตไหมจิตตรงนี้ ก, ะะกับตะเกียไม่เหมือนกันจิตตะเกียอยู่ข้างนอกนะ เวลาเราฝึกเนี่ยเราอย่าให้จิตไปข้างนอกถ้าจิตไปข้างนอกเราก็หายใจแล้วก็รู้สึกไปเดี๋ยวม่จะกลับไม่เองถ้าจิตอยู่ข้างนอกเนี่ยการเจริญปัญญาจะไม่เกิดขึ้นเพราะสมาธิเราจะไม่พอคือจิตไม่ตั้งมั่นจิตต้องตั้งมั่นจิตใจอยู่กับตัวเองถึงจะเรียกว่ามีสมาธิมีสมาธิแล้ว ถ, ถึงจะเจริญปัญญาได้ จิตไปว่างค้างอยู่ข้างนอกเนะี่ยมันจะเพลินเพลินสบายมีแต่ความสุขนะจะไม่เดินปัญญา จ, จริงคนต่อไปเพราะฉะน้เราคอยสังเกตเวลาจิตมันออกไปขงนอกคอยรู้ทันแล้วทุกวันแบ่งเวลาไว้หายใจหายใจไปเรื่อยๆสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างการที่เราคอยรู้สึกถึงร่างกายหายใจจิตมันจะเข้าบ้าน สมาธิเราจะดีขึ้นเพราะสมาธิดีขึ้นการเจริญปัญญ า, าก็ง่ายกรรภาวนาะคือเขาเริ่มต้นแต่ดูจิตช่วนี้ที่สงปีผรานมาจะเห็นไหวๆทางหน้า อ, อกใจชอบดูเวลามีมีกรรมนางผ้านางก็จะไปดูไหวๆเร็วๆที่ขึ้นปีที่ผรานมาเขารู้สึกว่า สามารถเห็นเกิดดับที่ปล่อยปล่อยขึ้นเห็นเดชช่วงช่วงหนึ่งเห็นเดชดับดับดับ <c oughs> รู้สภาวะจะเหมือนจะถูกปีบค้างที่อย่างแรง <c oughs> แล้วรู้สภาวะถูกเสพแทงครับอยากจะขอคําแนะนำจากหลวงพ่อภาวนาถูกแล้วลนะ่ะอัดทีแรกไม่เห็นเกิดดับอัดมาอีกช่วงหนึ่งเห็นว่าสิ่งใดเกิดสีนั้นก็ดับ ต่อไปสติมันเร็วนะมันจะเห็นดับดับดับดับไปเรื่อยเมื่อมันจะเห็นเลยว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรนอกจากความทุกขนะ์ปัญหาก็คือใจมันไม่เป็นกลางต่อความทุกขนะ์ให้เรารู้ทันว่าใจเราไม่ชอบนะงั้นเวลาที่เราภาวนานะปัญญาเราจะแก่กล่าขึ้นเริ่มตั้งแต่เราแยกขันได้แยกรูปแยกนามได้ แล้วเราก็เห็นสภาวะแต่ละอันเกิดดับเกิดดับได้ต่อมาเราเห็นได้สติเราเร็วสมาธิเราเร็วขึ้นเร็วขึ้นเราจะเห็นว่าตรงที่เกิดเนี่ยยังดูไม่ชัดเลยมันเห็นดับความดับยังจะชัดขึ้นชัดขึ้ น, นมันจะไม่ได้เห็นที่เกิดแล้วจะเห็นที่ดับแล้วต่อมาเนี่ยใจมันจะดินน้นรนใจมันจะไม่ชอบใจมันรู้สึกทุกข์ ใจมันดิ้นรนอยากจะพ้นจากสิ่งนี้ไปให้รู้ทันว่าใจดิ้นรนนะเพราะดิ้นรนยังไงก็ไปไม่พ้นจากความทุกข์หรอกนีบต่อมาพอเราเห็นความจริงนะว่าดิ้นรนยังไงก็ไม่พ้นจากความทุกข์ใจจะค่อยๆเข้าสู่ความเป็นกลางนะตอนนี้ใจถูกความทุกข์ครอบงำนะให้รู้ทันรู้เฉยๆไม่แก้มัน ภาวนาได้ดีนะถ้ารู้จักเรื่องโสรถยานเนี่ยจะรู้ว่าปัญญาของเราเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเยอะแล้วมันพัฒนามาตั้งแต่แรกเลยต่ำสุดเลยแยกรูปนามได้แยกกยายแยกใจได้แล้วต่อมาก็จะเห็นสิ่งทั้งหลายนั้นมีเหตุมันก็เกิดนะั้นอย่างโทรสามท์มีเห็ุมีโทรศัพท์ขึ้นมา ราคาว่าต้องมีเหตุกระทบอารมณ์ที่ชอบใจราคาเกิดนี้เริ่มเห็นเหตุรู้ว่าสิ่งทั้งหลายมีเหตุมีผลทั้งนั้นนะต่อมาเราก็จะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายนะมันเกิดแล้วดับนะตรงนี้เราเริ่มขึ้นวิปัสสนาแนละ้วเราเห็นมันเกิดดับเกิดดับอยู่ช่วงหนึ่งสติเราเร็วขึ้นเราจะเห็นมันดับดับดับตรงนี้เขาเรียกว่าพังขยานแล้วเราก็จะรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยไม่ปลอดภัยเลย ไม่ปลอดภัยเลยมีแต่ความล่มสลายศูนย์สลายอยู่ตลอดเวลาอันนี้บางคนก็เห็นนะบางคนไม่เห็นอันนี้เรียกพยตูวปัญญาญมันมีชื่อของมันนะอาการของจิตแต่ละตัวพวกเนี้ยหรือเราเกิดนิพพิทาญานขณะเนี้ยสิ่งที่เกิดเขาเรียกว่ า, วานิพพิทาญานนิพพิทาญานคือเราเห็นทุกอย่างมันดับดับดับนหาสาระแก่นสารไม่ได้นะใจมันเบื่อนายนะเบื่อตรงที่มันเบืนะ่อเนี้ย มันเป็นนิพิทานะมันอยากจะพ้นไปรู้สึกไหมใจมันอยากจะพ้นตรงนี้ไปตรงที่ใจมันอยากพ้นจากตรงนี้เรียกว่ามีมุนจิตุกรรมมยาตายานชื่อเยอะแยะเลยนะเป็นอาการทางใจของเราเท่านั้นนะเวลาเราภาวนาเราไม่ต้องรู้จักชื่อเรารู้อาการไปเรื่อยๆนี่พอจิตมันอยากจะพ้นจากตรงนี้ไปเราก็ภาวนาไปเรื่อยๆเราก็พบวพ่าทำยังไงก็ไม่พ้น ในที่สุดจิตก็ยอมรับความจริงนะว่าเราไม่สามารถบังคับจิตให้พ้นจากความทุกข์ได้จิตจะค่อยเข้าไปสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาใช้ได้เลยนะตรงที่จิตเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยเป็นประตูแห่งอริยามรรคลถ้าใครอยากเป็นโพธิสัตว์ก็มีโอกาสเป็นโพธิสัตว์ลถ้าใครอยากบรรลุมรรคผลก็มีโอกาสจะบรร ล, ลุมรรคผลละ เพราะนที่เราภาวนาเราเดินมีปัสนานมาได้ค่อนทางแล้วนะทาต่อไปใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบเขารู้สึกว่าโมหายเยอะเวลาดูลงมาหายใจง่วงง่ายจะข อ, ข อ, ข อ, ขอคําแนะนําจากหลวงพ่อครับถ้าฟุ้งสัานนะก็จะง่วงง่ายถ้าอยู่ในชีวิตปัจจุบันเราฟุ้งบ่อยนะเวลาเรามานั่งสมาธิมันจะซึมจะง่วง เพือนอยู่ในชีวิตประจำวันนี้พยายามฝึกรู้สึกไปเรื่อยอย่าทําจิตแบบนี้จิตอยนี้เคร่งเครียดเ ก, นเกินไปนได้ยินวาอาจารย์อาอาจารย์อาไปสอนการเจริญสติในชีวิตประจำวันตัวนี้สําคัญนะถ้าเราเจริญสติในชีวิตประจำวันไม่เป็นนะเราเอาแต่นั่งสมาธิเดินชงกรมเนี่ยไปไม่รอดหรอกเพราะชีวิตส่วนใหญ่เราอยู่ข้างนอกเนี้ นี่ถ้าชีวิตส่วนใหญ่ที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเราหลงหลงหลงเยอะๆหรือเราเคร่งเครียดญ่ตอนนี้มันเคร่งเครียดในการปฏิบัติอใจมันเคร่งเครียดเนี่ยมันเหนื่อยพอมาเหนื่อยนะพอไปนั่งหายใจก็หลับไปเลยเะฉั้นอยู่กับโลกข้างนอกเนี่ยไม่หลงฟุ้งซ่านไปไม่เคร่งเครียดรู้สึกไปสบายๆตอนไปนั่งสมาธิจะไม่หลับหลง แก้ตรงที่อยู่ข้างนอกเนี่ยอย่าให้ใจนิ่งๆแบบนี้นะอย่างนี้เหนื่อยเกินไปนะมันยังบังคับอยู่ขณะนี้ยังบังคับอยู่สังเกตไหมหเราเห็นทุกอย่างไม่คงที่เปลี่ยนแปลงแต่มันมีตัวหนึ่งนิ่งในนี้มันมีตัวนิ่งๆอยู่ตัวอย่าไปรักษาันจิตจะนิ่งก็ได้จิตจะไม่นิ่งก็ได้เรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของเรา ตนี้หนีไปคิดตลุดเลยรู้ไหมก็แค่รู้ทันไปนตรงนี้เริ่มบังคับอีกแล้วรู้ไหมเริ่มบังคับจิตให้นิ่งนิ่งอีกแล้วนย่าไบับงคับบังคับแล้วเหนื่อยพอเหนื่อยแล้วพอไปนั่งสมาธิหลับคนต่อไปคนนี้ดีนะคือขั้นที่แล้วเขาส่ง คนเนี้ยใจลอยสลับกับบังคับตัวเองใจลอยให้รู้ทันบังคับตัวเองให้รู้ทันแล้วก็อย่าไปบังคับตัวเองปล่อยให้มันหลงก็ได้หลงแล้วรู้ดีกว่ากลัวหลงแล้ว ร, รักษาไว้ดีตลอดรู้สึกตลอดไม่ดีนะเครียดเกินไปวันนี้ภาวนานใช้ได้นะหนูเนี่ย ขั้นที่แลาเขาเคยส่งการบ้างกับหลวงพ่อคือเขาเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าชีวิตไร้สาระแต่ตอนนี้เขารู้สึกว่านี่จริงๆเจอความคิดตอนนี้เขาแยกไม้ออกว่าโมหะกับเป็นกลางแยกไม่ออกต่างกันอยู่ที่ไหนเขาอยากจะขอคำแนะนำว่าเขาควรไปแยกออกโมหะกับเป็นกลางหรือเปล่าครับ โมหะมันคือเราดูสภาวะไม่ออกเป็นกลางเนี่ยดูสภาวะออกเป็นกลางอย่างเราเห็นว่าจิตนี้ยินดีจิตนี้ยินร้ายรู้ทันความยินดียินร้ายแนละ้วมันเป็นกลางศัตรูของโมหะเลยนะไม่เหมือนกันโมหะมันหลงมันลืมตัวเองที่ฝึกอยู่นะ่ะดีแล้วนะถูกแล้วนะ อย่าพยายามทำให้ดีกว่านี้ตรงที่พยายามทำให้ดีกว่านี้แหละที่ทำให้ผิดอยู่แล้วมันก็ดิ้นดิ้นดิ้นอย่าหาทางองไม่มีทางทำให้ดีกว่านี้นะมีแต่เจริญสตินะฝึกใจให้อยู่กับอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้เป็นการบังคับจิตให้นิ่งให้สงบให้รู้สึกตัวจิตที่ดีที่สุดคือจิตธรรมดานะอย่าไปบังคับมันเนี่ยเริ่มบังคับอีกแล้ว ไม่บังคับเผลอบ้างอ่านไปยิ้มกับเพื่อนซิสังเกตไหมอ่านไปยิ้มนะแต่ใจมันไม่ปล่อยมันก็ยังจับไว้แน่นๆนะพะนั้นปกติเร า, าดีอยู่แล้วนะแล้วก็อยากจะดีวันนี้อยากจะดีเร็วๆความอยากมันเกิดก็เลยไปสร้างพบพบพอนังปฏิบัตินิ่งๆซื่อบื้ออย่างเงี้ยไม่ดีเะนั้นะอย่ารีบ อย่ารีบร้อนว่าจะต้องบรรลุทำเร็วๆดีเร็วๆที่ฝึกน้ะมันดีสุดขีดที่มันจะทำได้อยู่แล้วเวลาที่เหลือส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นการสะสมภูมิปัญญาของจิตความรู้ความเข้าใจของจิ ต, ตค่อยๆสะสมไปอย่างนี้ไม่เอาแล้วอย่าไปบังคับมันตรงนี้ดีจิตตรงนี้ดี รู้สึกไม่ไม่เหมือนกันเราไปทิ้งของดีนะเข้าไปยึดไอ้ของที่อุดอัดเพราะเราเร า, เราโลภเรามีตัณหาอยากปฏิบัติดีๆอยากบรรลุมรรคผลอะไรเงี้ยความอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ไม่ใช่เป็นทางให้พ้นทุกข์นะสติรู้เท่าทันใจที่อยากใจก็หยุดอยากใจก็เป็นธรรมชาติธรรมดา อย่าส่งใจไปดูนะเมื่อกี้ส่งใจไปดูเนี่ยรู้ทันว่าส่งใจไปดูฝึกอย่างนี้แหละมันเป็นธรรมชาติที่สุดเลยเอาคนต่อไปวันนี้ดีอยู่แล้วล่ะแต่หาเรื่องทำตัวเองให้เสียเพราะว่าโลกอยากดีกว่านี้อคนต่อไปเขาจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อเขา สังเกตนะส่งเงินบ้านนะมันเป็นปัญหาที่จิตทั้งนั้นหละส่วนใหญ่จิตเราขาดสติมันหลงหลงหลงไปจิตเราอยากดีก็มาบังคับเอาไว้เพะฉั้นถ้าจิตมันหลงไปก็คือจิตมันเผลอมันลืมตัววิ่งไปหาโลกแล้วะก็รู้ทันมั น, นเรามาบังคับมันอยู่เราอยากดีเนี่ยมีความอยากเกิดแนะ มันอยากดีมันก็ไบังคับจิตแล้วก็รู้ว่าเนี่ยมันอยากแนละ้วทันทีที่รู้ว่าอยากนะการบังคับก็ค่อยๆหายไปนะมันมีแต่เรื่องรู้ทันจิตใจตัวเองเท่านั้นแหละจิตใจนั้นมันเป็นธรรมชาติรู้อารมณ์แล้วมันไหลไปตามความเคยชินเราเคยชินที่จะหลงจิตมันก็จะหลงห้ามมันไม่ได้เรามาพัฒนาความเคยชินนั้นใหม่พัฒนาความเคยชินที่จะรู้สึก หลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ไปเรื่อยต่อไปมันเคยชินที่จะรู้ะมันก็ไม่ค่อยหลงแล้วก็เราคอยระวังอย่าให้ความอยากมันครอบงาจิตอยากให้จิตดีมัจะเริ่มไปบังคับจิตนั่นที่ผิดก็มีสองอันถ้านหะลงไปนะกับมีความอยากเกิดขึ้นแล้วก็บังคับตัวเองถ้าเราไม่หลงไปมีสติบ่อยๆนะหลงห้ามไม่ได้นะนะฮะ รู้ไวๆไปหลงแล้วก็รู้หลงแล้วก็รู้แต่ไปสติก็เร็วขึ้นไม่ค่อยหลงหลงก็สั้นๆแล้วก็ใจมันอยากดีนี่อยากดีรู้ว่าอยากไม่จะไม่บังคับตัวเองไม่เคร่งเครียดจะรู้ไปอย่างสบายๆภาวน า, า, าดีขึ้นเยอะแล้วล้วนะใช้ได้คนต่อไป ขอขอถามสองข้อข้อแรกคือทํายังไงให้เจริญสติอยู่ในชีวิตประจําวันเป็นนิสัยครับเป็นนิสัยเหรอนิสัยยังไงก็เพราฝึกอย่างนั้นแหละหากมีสติในชีวิตประจําวันบ่อยๆอีกนั้นก็เก่งเองแหละมานั่งคิดว่าทําังไงจะมีสติในชีวิตประจําวันคิดได้เลยยิ่งไม่มีสติเลยยิ่งฟุ้งซ่าน อยดินรนอย่าสแสบหาใจหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้บ่อยๆส่วนใหญ่หลงไปคิดหลงแล้วรู้บ่อยๆนะสติใจยิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นไม่มีทางอื่นเลยเพราสติเป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้มันเกิดเองนะมันเกิดเมื่อเราเคยชินที่จะเกิดสติที่ผ่านมาในชีวิตเราเราเคยชินที่จะหลงต่อไปนี้เราฝึกใหม่หลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ไปได้ จะไปมันก็จเคยชินที่จะรู้สึกอย่างหลวงพ่อนะตอนนี้ไม่ได้ฝึกสตินะแต่มันเคยชินที่จะรู้สึกร่างกายขยับเนะี่ยรู้หมดเลยนอนอยู่พลิกซ้ายพลิกขวาก็รู้นะทำอะไรก็รู้หรือจิตใจขยับขยื่นเคลื่อนไหวอะไรทำงานอะไรขึ้นมาก็มองเห็นอย่างนี้จิตนีไปคิดแล้วรู้สึกไหมก็แค่รู้อย่างนี้ห้ามมันไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องห้ามเพราะะนั้น จะฝึกสติในชีวิตประจําวันก็คือหัดรู้สึกไปบ่อยๆหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้เวลาอยู่ในชีวิตประจําวันเราหลงได้หกช่องเดี๋ยวก็หลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปรู้รสหลงไปรู้สัมผัสที่ร่างกายหลงไปคิดที่ใจหลงได้หกช่องแต่เวลาเราทําในรูปแบบนั้นมหลงอยู่สองช่องทีก็หลงไปที่กายเช่นรู้ลมหายใจจิตไหลไปอยู่ที่ลมแล้วก็หลงไปคิด กายรใจเวลาทําในรูปแบบเวลาอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยหลงได้หกช่องเงั้นในชีวิตจริงจะทําได้เก่งนะต้องซ้อมหลงสองช่องได้ชํานาญกันนะหลงคิดต้องรู้หลงคิดแล้วรู้หลงลงไปแช่อยู่ที่มือรู้หลงไปแช่อยู่ที่ลมรูนะ้เดินจงกรมไปแช่อยู่ที่เท้าก็รู้อนะไรเงี้ยมันจะเหลือสองอันกายกับใจนะแล้วพอเรารู้ทันบ่อยๆนะ ร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้จิตใจเคลื่อนไหวเรารู้ไปเรื่อยมาอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยเราจะเจริญสติในชีวิตจําบันได้เก่งคราวนี้ยมันหลงไดหกช่องเดี๋ยวก็หลงไปดูไม่เคยรู้ทันจิตที่หลงนะ้หลงคิดตอนหลงไปดูมันก็คล้ายๆกันนั่นก็คือหลงนะไมันแค่รู้จิตที่หลงได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นหลงไปดูก็รู้หลงไปฟังก็รู้หลงไปคิดก็รู้เนี่ยต่อไปแล้วการปฏิบัติเราเนี่ย ในชีวิตจำวันนั้นจะสมบูรณ์แบบรู้อยู่ตลอดเวลาเลยจะไม่มีช่องว่างไม่มีช่องโหว่ให้กิเลส ท, ทำงานอาต่อไปเขาขอทาข้อที่สองอ๋คนนี้เหรอคนคนที่ข้อที่สองคนผู้ชายใช่ไหมครับออคือเขาถามว่าเวลา ท่องพุโทโธไปไปจินตนาการพระพุทธรูปได้ไหมครับถ้าท่องพุโทโธแล้วจินตนาการพระพุทธรูปนี่ได้สมาธิได้สมถะนะแต่ถ้าท่องพุทธโธแล้วคอยรู้ทันจิตที่หนีไปคิดเรื่องอื่นไม่ยอมคิดพุโทโธนะเราจะขึ้นสมาธิชนิดตั้งมั่นได้จิตไหลแล้วรู้เนี่ยจะได้สมาธิที่ตั้งมัน่นแล้วไปเดินปัญญา แต่ถ้าเราคิดถึงพระพุทธรูปแล้วก็พุทโธพุทโธจิตอยู่กับพระพุทธรูปเนี่ยได้สมถะทําได้ทั้งสองอย่างหลยในเวลาที่ฟุ้งซ่านมากๆก็ทําสมถะก็พุทโธคิดถึงพระพุทธรูปสักองในเวลาที่จิตใจเราพอจะอยู่กันเน้อกัตัวแล้วเราพุทโธเพื่อจะคอยรู้ทันเวลาจิตมันลืมพุทโธจิตลืมพุทโธเรารู้ลืมพุทโธเรารู้ ต่อไปมันเดินปัญญ า, าคนต่อไปเขาฝึกผู้วงังหนงล้วรู้หนงเ้วรู้เวลาดูแลลูกชายตัวเองโทสะเหมือนเหมือนภูเขาไฟลับเปลือเาจะขอคำแ น, า น, า น, นะนำจากหลวงพ่อครับก็ไปออกมันมาทำไมล่ะที่เรามีโทสะนะ เพราะเราคาดหวังว่าลูกจะต้องอย่างนี้แต่ลูกมันก็เป็นอย่างที่มันต้องเป็นแหละห ม, มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังอย่างเราหวังว่าลูกจะไม่งองแงแล้วลูกมันงองแงเราหวังเราก็เลยทุกข์้วก็วโทสระขึ้นงั้นไม่ใช่โทสระเพราะลูกนะโธสระเพราะความคาดหวังของเราเอง อย่างเราหวังอย่างบางคนโกรธสามีสามีชอบไปกินเหล้านอกบ้านนะคาดหวังว่าสามีควรจะกลับบ้านเร็วๆแล้วมันไม่มาโทษสาพทก็เลยขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆคนอื่นนะสร้างปัญหาได้นะแต่เราเนี้ยสร้างกิเลสด้วยตัวเราเองคอยรู้ทาเนเอามันเกิดจากอยากนั่นแหละ ถ้าเราเห็นว่า เ, ออเด็กมันก็ต้องงองแงเป็นธรรมดามันร้องไห้งองแงหรือมันไม่ยอมกินข้าวนะจะเอาแต่เล่ น, นอะไรเงี้ยเด็กที่ไหนก็เหมือนกันถ้าเรารู้สึกว่าธรรมดานะเราก็จะไม่หงุดหงิดแต่เราอยากให้มันรีบๆกินไปเราก็รีบๆนอนเราจะมานั่งสมาธิเราจะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยใจเราอยากใจเราจะทุกข์หลวงพพูดได้สบายเลย หลวพ่อไม่มีลูกแต่หลวงพ่อมีลูกศิษย์ลูกศิษย์เยอะเลยตอหลวงพ่อสอนใหม่ๆนะก็เหมือนเรารู้สึกกับลูกเราอะอยากให้มันดีอะ่ะหลวงพ่อว่าอยากให้ลูกศิษย์ภาวนาเก่งๆอยากให้ลูกศิษย์พ้นทุกเร็วๆนะแล้วเราก็หุนหินนะทําไมว่าวันๆหนึ่งนะเอาแต่หลงอะ่ะ หลงโลกทำไมไม่ค่อยภาวนาเลยขี้เกียจนะอยากให้เขาดีเร็วๆนะเราก็โมโหเหมือนกันนะนะตอนนั้นยั ง, ยงโมโหเป็นอยูนะ่ต่อมามันเริ่มฉลาดขึ้นนะคนทุกคนเป็นไปตามกรรมคือตามที่ตัวเองทำนั่นแหละนะเราไปบังคับเขาให้บรรูุเร็วๆไม่ได้หรอกนะยังไม่ถึงเวลาของเขาเพราะศีลสมาธิปัญญาเขายังไม่สมบูรณ เพรนัตอนหลังๆหลวงพ่อสอนพวกเราอย่างสบายใจใคล้ายๆเลี้ยงลูกแบบสบายใจลูกคนไหนรักดีมันก็ดีเองแหละลูกคนไหนไม่รักดีเดี๋ยวมันก็แยกไปเองแ ล, แล้วความจริงของชีวิตจะสอนมันเองอย่างพวกเรานหะลวงพ่อสอนให้ภาวนาหลวงพ่ออยากให้มีความสุขบางคนก็เอาบางคนก็ไม่เอาะคนที่ไม่เอาเมื่อก่อนหลวงพ่อคลุ่มใจทุกแทนเขานะเดี๋ยวนี้ไม่ไม่เป็นไร หลงโลกไปเหอะเดี๋ยวก็ทุกข์อยู่กับโลกยังไงก็ทุกข์นะแล้วความทุกข์ของโลก จ, จะสอนให้เราเองว่าโลกนี้ไม่น่ารักหรอกใจมันจะอยากพ้นพอวันที่อยากพ้นนี่มันจะมันนึกถึงคำสอนของหลวงพ่อได้ฉะั้นบางคนต้องให้ลาบากไปก่อนฉะั้นแบบทางจีนจะชอบบอกนะบอกว่าต้องไปตกนรกก่อนนะ ถ้ายังไม่ตกนรกนะาทีไม่รู้จักทางที่จะหลุดพ้นคนที่จะสอนสมัยก่อนนะหนังจีนชอบบอกนะไม่ลงนรกนะแล้วก็จะไปช่วยสัตว์ในนรกได้ไงไม่เข้าถ้าเสือก็ไม่ได้ลูกเสือพูดหลายอย่างหลวงพ่อตอนนี้เหรอเสื อ, อยางอยู่ในถ้าก็อยู่ไปก่อ น, นวันไหนออกมาจากถ้าก็มาว่ากันใหม่ พวกเราอยากหลงโลกก็หลงไปก่อนวันไหนทุกเต็มที่แล้วจะนึกถึงธรรมะเข้ามาว่ากันไหมนะเพราะั้นเดี๋ยวนี้หลวงพ่อสบายเลี้ยงลูกคือเลี้ยงลูกสิทธิ์นี้ยอย่างสบายนะดีหรือไม่ดีอยู่ที่ตัวเองแหละเราคาดหวังมากก็ทุกมากใช่ไหมคุณแม่ <c oughs> ออาคนต่อไป เขาเคยมีมีสัมผัสที่ไม่มีไม่มีสัญญาไปหมายรู้แค่รู้แค่เห็นแต่ส่วนใหญ่ใจไม่เคยเป็นกันอยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อคบก็มีสัญญาไม่มีสัญญาไม่มสำคั ญ, ญหรอกมันเป็นเองไม่ต้องไปดิ้นรนว่าจะให้สภาวะที่สัญญาว่ารู้ว่าเห็นไม่มีสัญญาอะไรเนี่ยเกิดบ่อยๆไม่ต้องไปอยากได้ถือเวลาก็เกิดเองไม่เกิดก็ช่างมัน แล้วอีกข้อหนึงว่าอะไร น, นะเขาจะขอคําแนะนำจากหลวงพ่อเขารู้สึว่าใจยังไม่ค่อยเป็นกลางครับรู้ว่าไม่เป็นกลางใช้ได้แล้วอยากเป็นกลางก็ยิ่งไม่เป็นกลางรู้ว่าใจไม่เป็นกลางใช้ได้แล้วอถ้าอยากให้เป็นกลางมันจะยิ่งไม่เป็นกลางเหมือนรู้ว่าจิตโกรธก็ใช้ได้แล้ว อยากให้มันไม่โกรธไม่เป็นกลางกับความโกรธนะเพรายิ่งโกรธมากกว่าเก่านะยิ่งเรารู้สภาวะทั้งหลายไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องปรุงแต่งรูปสภาวะทั้งหลายอย่างที่เขาเป็นแล้วมันก็ดีเองแล้วมันก็ต้องใช้เวลาในการสะสมนะยิ่งไม่ใช่ปฏิบัติถูกปุ๊บต้องบรรลุมรรคผลเลยไม่ใช่ไม่ต้องเก็บแต้งแค่แค่เราเรียนมหาวิทยาลัย ก็ต้องเก็บแต้มสะสมไปเรื่อยแต้มสะสมของเราก็คือตัวศีลสมาธิปัญญาเนี่ยคะแนนสะสมของเราเต็มที่แล้วเั้อนได้เลื่อนชั้นจบปริญญาตรีไปขึ้นปริญญาโทอะไรก็ว่าไปอย่าใจร้อนนะยิ่งใจร้อนยิ่งอยากได้เร็วยิ่งช้าอันนี้บอกกับทุกคนเลย แต่ถ้ามีสติไปเรื่อยไม่ได้มีความอยากใจเป็นกลางจะได้เร็วคนต่อไปคือตอนนี้เขาเปลี่ยนวิธีการภาวนาเป็นพุโทโธฝึกหนึ่งปีแล้วอยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อครับพุโทโธปมาปีหนึ่งใช้ได้แล้วล่ะใจนี่มีสมาธิที่ดีสบาย แต่สังเกต น, นิดหนึ่งขณะนี้ใจยังอยู่ข้างนอกนลองเพิ่มการหายใจเข้าไปหายใจสักสองสามรอบเถอะนะอย่าบังคับจิตหายใจเฉยเฉยรู้สึกไหมจิตไม่เหมือนตะกี้แล้วตะกี้มันอยู่ข้างนอกนะเงันเราพุโทโตพุโทโตเนี่ยเพื่อจะรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปจิตนหนีไปข้างนอกเรารู้ นี่พอมันหนีแบบนินเนียนหนีเบาๆไปแอบไปอยู่ข้างนอกนี่เราไม่เห็นนะเราเพิ่งหัรู้สภาวะไปเพราะฉะนันทุกวันนะอยากให้แบ่งเวลาไว้หน่อยหนึ่งมาหายใจเวลาหายใจอย่าดึงจิตเข้ามาหายใจเล่นๆนะจิตที่มันเคยหลงอยู่ข้างนอกมจะได้กลับเข้ามาข้างในแล้วพอมันเข้ามาข้างในแล้วก็พุโทโธสบายๆจอไปแล้วเวลามันหนีเราจะเห็นชัดนะ นี่มันคล้ายๆออกไปอยู่นอกโลกแล้วไปเห็นห่างๆออกไปที่ฝึกใช้ได้นะมันคนจีนรุ่นนี้เก่ ง, งอ๋อแต่เขาจะคัดแบบเก่งๆมาใช่ไหมไมีหน้าเก่งทั้งนั้นเลย <c oughs> เอาต่อไปเขาเรียนธรรมมาห้าปีแล้วขั้นที่แล้ว หลวงพ่อสอนให้เขาต้องปล่อยใจไปทํางานอย่าให้ใจติดนิ่งติดว่างเอเขาจะทํารูปแบบเขาส่วนใหญ่จะทำํำจารเลนสติอยู่ชีวิตประจวาวันอยากจะขอคําแนะนำจากหลวงพ่อครับก็ดีขึ้นแล้ละล่ะะจิตไม่ได้ไปติดนิ่งๆเฉยๆนิ่งอยู่อย่างนั้นนะ่ะสิบปีก็เฉยๆนะยี่สิบปียิ่งเฉยกว่าเก่าอีกปล่อยให้มันทํางานให้มันมาพักผ่อนเป็นช่วงๆ ทำความสงบภประยะระยะพอสงบพอมีแรงแล้วออกทำงานอย่าอยู่เฉยนะคุณดีขึ้นเยอะเลยดีไม่งั้นจิตไม่เดินปัญญาสงบเฉยเฉยใช้ไม่ได้เอคนต่อไปคนไหนเขาอยู่้วชีวประจําวันสามารถเห็นตัณหาเกิดขึ้นแต่นั้นจากนั้นจะมี พลังที่แรงผาบตามนั้นจะนั่งก็จะตามตัณหาครับเขาอยากจะรู้ว่าความรู้สึกของเขาเกิดมีปัญหาหรือเปล่าเวลาเจอสภาวะ น, นี้จะรู้สึกว่าทำอะไรไม่ได้ครับให้ดูเผยมันมีอีกตัวหนึ่งแทรกเข้ามานะคือตัวโทสัต์ตัวไม่ชอบนะให้รู้ทันตัวนี้ถ้าเราไม่รู้ทันนะใจ้าหุนหิน ห, นหุนหินนะไม่สงบหรอก ดูออกไหมว่าใจมันลำคาญใจมันหุดหิตมันมีโทสะแทรกเข้ามาอีกทีหนึ่งนัต่อไปเวลาเราเห็นมันดันกะเห็นไปมันดันขึ้นมาได้มันก็เกิดแล้วมันก็ดับแต่ถ้าเราเห็นมันทํางานแล้วเราหุนหิดนะเราไม่ชอบมันนะใจยิ่งดิ้นรนใจยิ่งมีความทุกข์ตอนนี้ใจมันมีแอบหุนหิตนะแอบหุนหิดเล็กๆตอนนี้งงรู้สึกไหม มีความงงเกิดขึ้นก็รู้ว่างงเนี่ยหัดสังเกตไปิเลสตัวเล็กตัวน้อยนะคอยรู้เท่าทันตัวไหนเกิดแล้วก็รู้อย่างตอนนี้หลงไปคิดอีกแล้วหลงไปคิดกรู้ว่าหลงไปคิดตอนนี้เริ่มบังคับจิตให้นิ่งแล้วเริ่มไปควบคุมจิตแล้วย่าไปควบคุมมันปล่อยให้มันทำงานไปของคุณเนี่ยใจมันร้อนร้อนไปนิด น, นึง ใจเย็นเย็นดูไปสบายๆดีบ้างไม่ดีบ้างไม่เป็นไรแต่ถ้าเราอยากได้ผลเร็วๆอยากเข้าใจเร็วๆยิ่งไม่เข้าใจเพราะเราใจเรายิ่งดิ้นรนใจไม่สงบใจที่ดิ้นรนนนะถ้าเทียบไปก็เหมือนน้ำเมืองจีนมีตุ่มน้ำไหมถังน้ำเราน้ำใส่ตุ่มไว้น่ะ เราอยากดูว่าก้นตุ่มมันมีอะไรซ่อนอยู่มีตะกอนอยู่ไหมเราเอามือไปควานควานหาเนะี่ยน้ำยิ่งจะเพิ่มเลยเรายิ่งมองข้างล่างไม่เห็นใจนี่เหมือนกันยิ่งเราอยากให้มันดีอ ย, นอยากอห่างโ้นอย่างอย่างนี้นะเราเข้าไปกวนใจของเราให้คุนะเราก็ดูไม่เห็นดูไม่รู้เรื่องทําใจสบายๆไปนะพอใจเราสบายแล้วมีอะไรแอบอะไรแฝงอยู่เล็กๆน้อยๆอยเราก็เห็นนะ แล้วจะเรียนรู้ใจตัวเองได้ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นกนะิเลสตัวเล็กตัวน้อยอะไรซ่อนอยู่เหมือนตะคอนอยู่ใต้ตุ่มน้ามันก็มองเห็นนะแต่ถ้าอยากดีอยากเห็นตลอดเวลาก็คือรเราไแขวงน้ำให้มันหมุนหมุนหมุนนะดูอะไรไม่รู้เรื่องนะทำใจสบายนะพูดง่ายแต่ทำยากเพราะว่าพื้นจิตมัน คุณคนเอาจริงนะมันไปขีโมโหง่ายให้ดุยินง่ายหน่อยเอาคนต่อไปอยู่ลรชิวประจำวันเขาทมพุทธมาเจริญสติที่ขึ้นปีที่พรามาเห็นจิตไม่เป็นอิสระยังไงก็หลุดไม่พ้นรู้สึกว่าใจทำยังไงก็ไม่ยิ่ ม, มก็คิดจะทำนะอยากยิ่ม ก็ไปพยายามทําก็ยิ่งทุกข์อย่างเมื่อกี้นี้ก่อนที่จะคุยกับหลวงพ่อใจเราเป็นธรรมดาพอเริ่มจะคุยกับหลวงพ่อนะพอบอกว่าถึงตาของเขาแล้วนะก็รวบใจเข้ามาเลยหลวงพ่อใจมันยังอึดอัดนะอย่าไปรักษาใจปล่อยให้มันทํางานให้เป็นธรรมชาตนะิถ้ายังรักษาใจอยู่ก็ยังทุกข์อยู่ แต่หลวงพ่อพูดได้บอกอย่ารักษาใจนะในทางปฏิบัติยังไงก็รักษาค่อยๆเรียนไปเจอกระทั่งรู้นะเราเข้าไปแทรกแซงเมื่อไรเราก็ทุกข์เมือนั้นใจไม่ค่อยๆเลิกแทรกแซงหญ่อตอนเนี้ยจิตมันถลัมออกข้างนอกไปแนละ้วอย่าไปดูมันอย่าส่งจิตไปดูส่งจิตไปคิดรู้ทานจิตที่ส่งไป จิตส่งไปดูรู้ทันจิตส่งไปคิดรู้ทันบางทีจิตส่งไปดูไม่ได้ไปดูของภายนอกนะจะมาดูข้างในจิตส่งไปดูอยู่ข้างในว่าจะดูอะไรดีเนาะเนี้ยก็รู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปแล้วเลียวจิตส่งไปคิดก็รู้ทันนั่นคือจิตหลงทั้งหมดเลยแต่ตอนนี้ออกไปดูอีกแล้วให้รู้ทันเอา เอาคนต่อไปเหลือหลวงพ่อบอกก่อนจะได้ไม่ต้องเกรงมากที่เขาภาวนาอยู่เนี่ยใช้ได้แล้วนะอบอกเขาก่อนเขออาจะได้ไม่ต้องเตรียมต่อสู้เริ่มเป็นล้านถึงสิบเออถึงตาของเราที่ภาวนาใช้ได้อยู่คิดอดว่าไป เอาภาวนาสามปีแล้วอยากจะขอคําแนะนําจะหนุนพ่อครับเพรานานที่สังเกตใจเราไปเรื่อยๆนะใจเรานี่ชอบทํางานทํางานอะไรก็รู้ทันไปเช่นบางทีมันเห็นสภาวะแล้วมันก็ทํางานเข้าไปแทรกแสงสภาวะก็มนะีบางทีมันไม่รู้ว่าจะดูสภาวะอะไรก็เที่ยวหานะีก็คือการสแสวงหานะก็เป็นการทํางานของใจ ใจไปทำงานอะไรคอยรู้บ่อยๆรู้เรื่อยๆรู้ไปเท่าที่รู้ได้ที่ภาวนาอยู่ใช้ได้นะค่อยๆสังเกตไปแต่ว่าปัญหาก็เหมือนทุกคนแหละตอนนี้ใจไม่เข้าฐานใจมันสบายไปอยู่ข้างนอกใจมันไม่เข้าฐานลองหายใจเล่นๆใช่ใหายใจสบายๆอย่าบังคับจิต เดี๋ยวมครับจิตหายใจเฉยๆไม่มีใครเข้าหายใจท่าตนี้หรอกนะหายใจธรรมดาหายใจธรรมดาหายใจอยู่แล้วหายใจอยู่แล้วแค่แค่รู้ว่าร่างกายเป็นหายใจเท่านั้นนะะเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายหายใจไปเดี๋ยวใจจะค่อยๆกลับเข้ามา ไม่ใช่พ่อหลวงพ่อบอกให้หายใจครับเดีนี้นนเหนื่อยอหรออย่างตอนเนี้ยใจมันฟุ้งซ่านรู้สึกไหมใจมันแข่งไปแข่งมารู้ว่าใจมันแข่งนะรู้ว่าใจมันฟุ้งซ่านไม่ว่ามันใจมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นค่อยๆรู้ค่อยๆดูไปะคนนี้ดีนะ แต่ว่าพลังมันยังไม่เต็มเอาคนต่อไปเมื่อกี้ที่หลวงพ่อบอกว่าปกติก็ดีๆพอตอนจะสวนบ้านแนละ้ทำจิตให้นิ่งๆนยนะอย่าไปทำมันเช่นมาจิตใจที่ดีที่สุดนจิตของคนธรรมดา จิตของคนธรรมดาก็คือประเดี๋ยวก็สุขประเดี๋ยวก็ทุกประเดี๋ยวก็ดีปรเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็หลงไปดูเดี๋ยวก็หลงไปฟังเดี๋ยวก็หลงไปคิดนี่คือจิตของคนธรรมดานับปฏิบัติต่างกับคนธรรมดานิดเดียวเองจิตสุขรู้ว่าสุขจิตทุกข์รู้ว่าทุกข์จิตดีรู้ว่าดีจิตชั่วรู้ว่าชั่วจิตหลงไปดูรู้ว่าหลงไปดูจิตหลงไปฟังรู้ว่าหลงไปฟังจิตหลงไปคิดรู้ว่าหลงไปคิด เพราะฉะนักปฏิบัติที่ดีไม่ใช่ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ดีไม่ร้ายไม่หลงอย่างนี่นะไม่ใช่ไม่ใช่การปฏิบัติที่ดีนักปฏิบัติที่ดีก็มีจิตเหมือนคนธรรมดาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดียเด๋ยวหลงเดี๋ยวฟุง้งซ่า น, ดนเดี๋ยหดหูนะเดี๋ยวหลงไปดูเดี๋ยวหลงไปฟังหลงไปคิดเนี่ยจิตคนธรรมดาเป็นอย่างนี้เราก็ปล่อยให้จิตเราทํางานแบบคนธรรมดานะนะั่นแหละ เราต่างกับคนธรรมดาตรงที่คนธรรมดาไม่มีสติแต่เรามีสติจิตมีความสุขรู้ว่ามีความสุขเรามีสติรู้ทันจิตมีความทุกข์รู้ว่ามีความทุกข์มีสติรู้ทันไม่ใช่ต้องไม่สุขไม่ทุกข์จิตรอบโกรธหลงรู้ว่ารอบโกรธหลงคนทั่วไปจิตรอบโกรธหลงแล้วไม่รู้ว่ารอบโกรธหลงเราต่างกับคนไม่ไม่ได้ปฏิบัตินิดเดียวเท่านี้เอง เดี๋ยวเรารู้ทันจิตตัวเองตัวนี้เข้าใจไหมจิตที่ดีที่สุดนะมองอาการปฏิบัติที่สุดนะจิตของมนุษย์ธรรมดาจิตที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานี่แหละแต่เราเติมการรับรู้ลงไปเติมความรู้เท่าทันลงไปมันสุขมันทุกข์มันดีมันร้ายมันเริ่มบังคับแล้วเริ่มบังคับจิตแล้วย่เี้ก็รู้ทันไปมันเนงใหญ่ก็รู้ไป แค่นี้ธรรมชาติธรรมดาธรรมดาที่สุดดีที่สุดธรรมะไม่ใช่เรื่องพิสดารไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดธรรมะคือเรื่องธรรมดาอย่างธรรมดาในร่างกายเราเนี่ยต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่ธรรมดาไหมคนทั่วไปเป็นทุกข์เพราะไม่อยากได้ธรรมดา อยากไม่เป็นไม่เป็นธรรมดาอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายใจของเราเนี่ยสมหวังบ้างผิดหวังบ้างสุขบ้างทุกบ้าง <S <S ดีบ้างร้ายบ้างธรรมดามันเป็นอย่างนี้นคือมันไม่คงที่สุขก็ชั่วคราวทุ ก, ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวแต่เวลาเราปฏิบัติเราอยากให้คงที่อยากให้ดีถาวรอยากให้สุขถาวรอยากให้สงบถาวรเราไปอยากได้ของไม่ธรรมดา อย่าไปอยากได้ของไม่ธรรมดาของที่ไม่มีจริงมันก็ทุกข์สิเะั้นเรามารู้กายจนเห็นธรรมดาของกายเราจะไม่ทุกข์เพราะกายเรามาค่อยรู้ความเปลี่ยนแปลงของใจไม่บังคับใจนะแล้วค่อยรู้ความเปลี่ยนแปลงมันไปเรื่อยให้มันทํางานไปเหมือนคนธรรมดานี่แหละแต่เราค่อยรู้ทันว่าตอนนี้มันสุขตอนนี้มันทุกข์ตอนนี้มันดีมันร้ายนะจนกจะทั้งใจมันยอมรับความเป็นธรรมดาของใจะ ธรรมดาของจิตใจก็คือไม่คงที่สุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงดีชั่วก็ไม่เที่ยงมันยอมรับตรงนี้เพราะฉะนั้นต่อไปเวลาความสุขเกิดขึ้นใจก็ไม่ฟูขึ้นมาไม่หลงยินดีความทุกข์เกิดขึ้นใจก็ไม่เหี่ยวแฟบลงไปนะใจเป็นกลางสงบสุขอยู่ในทุกๆสถานการณ์ได้ะฉนั้นเราเรียนธรรมะเนี่ยเราเรียนถึงความเป็นธรรมดาของกายของใจ จนกระทั่งเราเข้าใจความเป็นธรรมดาของมันเราก็จะไม่เกิดตัณหาตัณหาเนี่ยคืออยากให้มันไม่ธรรมดาไปดูว่าตัณหาร้อนแต่เป็นสิ่งที่อยากให้มันเกินธรรมดาเท่านั้นนะไม่มีเมียนี่คือความจริงอยากมีเมียตอนนี้มันไม่มีเพราะอยากมีถ้ามีเราจะอยากมีไหมถ้ามีเมียแล้วก็ไม่อยากมีะแต่อยากมีเมียใหม่เออ เมียใหม่ยังไม่มีอะไรที่มีแล้วไม่อยากแล้วนั้นเวลาใจเรานะค่อยๆฝึกไปมันอยากได้สิ่งซึ่งไม่มีมันถึงทุกข์แต่ถ้าสิ่งนั้นมันมีอยู่แล้วไม่มีความอยากมันก็ไม่ทุกข์หรอกแล้วคนต่อไปคือคที่เมื่อกี้ครับ<ม>เขายังไม่ได้ส่งกัรบ้านก็เป็นคนสุดท้ายครับ อย่าเปบังคับมันนะหลวงพ่อบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าคนนี้ใช้ได้นะสองคนนี้ก็ดีคัดแบบเก่งๆมานะรอบนี้นะ <laughs> จุดที่ผิดมันจุดเล็กๆน้อยๆนะอยู่ที่ทักษะในการสังเกตตัวเองค่อยๆฝึกไปส่วนใหญ่ก็คือไปควบคุมจิตอย่างนี้ก็ไปควบคุมจิต ให้จิตมันนิ่งกว่าความเป็นจริงเริ่มบังคับมากกว่าเก่าอีกแล้วใจมันจะแน่นๆปล่อยให้มันทำงานหลวงพ่อบอกแล้วว่าจิตที่ดีคือจิตธรรมดาเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ปล่อยให้มันทำงานไปแล้วเราก็จะมีสติตามรู้เท่านั้นเองเราต่างกับคนธรรมดาตรงแค่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับจิตเรารู้เท่านั้นแหละ ไม่เอามากกว่านั้นนะนั่นเราจะกลายเป็นมนุษย์ปกติที่สุดเลยในขณะที่คนธรรมดาเนะเขาไม่ธรรมดาคนธรรมดาที่ว่าจิตดีๆไม่ธรรมดาหรอกเป็นจิตที่ถูกกิเลสครอบงําพาไปทั้งวันในขณะที่เราเนะี่ยปล่อยให้จิตมันทำงานแล้วเราเรียนรู้มันไปรู้ทันมีความรู้สึกไปรู้ทันไป ในที่สุดจิตก็อยู่เหนือกิเลสนะกิเลสครอบงำใจไม่ได้จิตเราก็สะอาดหมดจดแจ่มใสอย่างที่พวกเราฝึกฝึกมานะแต่ละคนรฝึกมาหลายปีจิตมันก็ใสสว่างขึ้นเรื่อยเรยรู้สึกไหมสะอาดขึ้นเรื่อยๆรแต่เดิมทำชั่วหน้าตาเฉยเดี๋ยวนี้จะทำชั่วไม่อยากทำแล้วเดิมนะแต่เดิมหลงโลกเดี๋ยวนี้ไม่อยากหลงโลกแล้วนะพอเห็นโลกนี่เต็มด้วยความทุกข์ ใจมันมาสู่จุดตรงนี้่ค่อยๆเรียนไปหมดลังมีเวลาสิบนาทีหลวงพ่อจะสรุปให้ฟังนะการปฏิบัติเนี่ยการปฏิบัตินาะขั้นแรกถือศีลห้าไว้ก่อนห้าข้อพอถือศีลห้าเนี่ยสี่ข้อไม่เบียดเบียนคนอื่นสี่ข้อไม่เบียดเบียนคนอื่น ข้อสุดท้ายไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นทางร่างกายชีวิตร่างกายเขานี่สิ่งข้อหนึ่งปานาฏิบาตไม่ไม่เบียดเบียนชีวิตร่างกายเขาข้อสองไม่เบียดเบียนทรัพย์สินเงินทองของเขาข้อที่สามไม่ไปเบียดเบียนคนที่เขารักข้อที่สี่ไม่ไปโกหกหลอกลวงเขาเนี่ยสี่ข้อนี้ไม่เบียดเบียนคนอื่นข้อสุดท้าย ไม่กินเหล้าแม่อะไรอย่างเงี้ยมันคือไม่เบียดเบียนตัวเองทําตัวเองให้ขาดสติสมัมปชัญญะอย่างถ้าเราติดยาเสพติดอะไรอย่างเงี้ยนะสติสมัมปชัญญะเราจะเสียถ้าสติสมัมปชัญญะเสียเนเีนเ่ยเบียดเบียนตัวเองที่ร้ายแรงที่สุดเลยเพราะปิดการมาผลนิพพานแลไม่มีสติสมัมปชัญญะและ้วคนไม่มีสติสมัมปชัญญะเนี่ยก็พร้อมจะไปเบียดเบีย น, นคนอื่นด้วยเพราะงั้นข้อห้าเนี่ยสำคัญที่สุดนะ อย่าเบียดเบียนสติสมัมปชัญญะของตัวเองทุกวันต้องฝึกสติสมัมปชัญญะฝึกรู้สึกฝึกรู้สึกเรไ่อยๆนะแล้วพอเราฝึกรู้สึกบ่อยๆกิเลสผ่านเข้าในใจเราค่อยรู้สึกนะเราจะไม่เบียดเบียนคนอื่นหรอกเราสงสารเขาคนที่ไปเบียดเบียนคนอื่นได้เพราะไม่สงสารเขาถ้าเราสงสารเขาเราเบียดเบียนเขาไม่ได้นะในใจมันจะมีเมตตาให้มาแทน แล้วก็มีสติรู้ใจของเราไปอีกข้อหนึ่งนะมีสติคอยรู้ทันใจตัวเองจะได้มีศีลที่ดนะีอีกข้อหนึ่งก็คือถ้าใจมันฟุ้งซ่านขึ้นมาคอยรู้ทันนะมันหนีไปคิดก็รู้มันหนีไปดูมันหนีไปฟังก็รูนะ้ตรงที่รู้ทันมันหนีไปนี้มามันจะหยุดหนีสมาธิเราจะเกิดอันนี้ต้องทําในรูปแบบเพราะปกติจิตเรานี่ได้หกช่องทาง อยู่ในชีวิตธรรมดาเนี่ยนีได้หกช่องนีไปดูนีไปฟังนีไปดมกลิ่นหนีไปรู้รสหนีไปรู้สัมผัสทางร่างกายหนีไปคิดทางใจนีหกช่องดูยากงั้นเราซ้อมมันเหมือนเราจะชกมวยนะหรือฝึกกังฟูก็ตามเราจะเริ่มฝึกกังฟูก่อนที่เราจะโดดไปชกกับเขาเนี่ยเราก็ต้องซ้อมก่อนเวลาซ้อมเราก็มี รำใช่ไหมวันนี้รำท่านี้วันนี้หัดชกอย่างนี้วันนี้หัดเตะหัดทีละอย่างไม่ได้หัดทีละทุกอย่างการฝึกจิตนีข้าเหมือนกั น, นเราทําในรูปแบบเนี่ยเราหัดสองนานหนึ่นงหัดรู้เวลามันลงไปที่กายหัดรู้เวลามันลงไปที่ใจเวลาเราทําในรูปแบบเนี่ยตัวที่เด่นนะเตือแต่กายกับใจอย่างเรานั่งสมาธิอยู่เนี่ใครนั่งกายนั่งมย ใจเป็นคนรู้ใจเป็นคนรู้นั่งไปนั่งไปใจหนีไปคิดเรารู้นั่งไปนั่งมานะร่างกายคันเราเราก็รู้เนี่ยรู้อยู่ในกายรู้อยู่ในใจพอเราขาดสตินะพอมันขันขึ้นมาเราก็เกาไม่รู้ตัวพอเราเคยฝึกรู้สึกตัวรู้สึกกาย บ, ายบาย่อยๆพอร่างกายขยับเนี่ยมันจะรู้สึกเองนะสติจะเกิดเองไว้ในชีวิตประจําวันเนี่ยเราฝึกอยู่สองตัวฝึกกายกับใจ อย่างเราเดินจงกรมใช่ไหมเราไม่ได้ส่งตาไปดูน่้นดูนี่ถ้าส่งตาวอกแวกไปเราเพิ่มอีกหนึ่งอัตนาลนะเพิ่มตาเดินไปแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยนะเพิ่มไปอีกหนึ่งแล้วที่หูหรือนั่งสมาธิอยูนะ่มันก็มีกายกัใจอยู่นะใจหลงไปคิดก็รู้นะใจมหลงมาอยู่ในร่างกายร่างกายปวดแล้วใจคลุ่มใจแล้วก็รู้ นะรู้อยู่อย่างนี้นะถ้านั่งสมาธิอยูนะ่แล้วก็เห็นนกบินมานะผ่านห้องเราดูนกมาหรือเห็นจิ้งจบทุกแกมานะไปดูอันนี้เราเพิ่มขึ้นอีกช่องหนึ่งแล้วเพิ่มช่องตานะหรือเรานั่งอยู่ดีๆนะมีกลิ่นมีกลิ่นเน่าๆมานะสงส่ผีจะมาแนละ้วนะผีจีนนะผีการกระโดดดอ้องดอ ง, อ ง, องนะผีจีนนะ ผีไทยทำได้หลายแบบนะผีจีน้ังสารนี่เดินไม่เป็นกระโดดนะเนี่ยสมมตนะเราเห็นตัวอะไรมากระโดดตุ๊บตบเราไปดูเนี่ยหลงไปทางตางั้นเวลาที่เราทําในรูปแบบนะเราไม่สนใจตัวอื่นเลยนะรู้อยู่ที่กายที่ใจฝึกสองอันนี้ให้ชํานาญจิตหลงไปที่กายกรู้จิตหลงไปทางใจใหลงไม่คิดก็รู้ พอฝึกตัวนี้ได้คล่องนะมาอยู่ในชีวิตจริงเปิดทีเดียวหกช่องทางเลยเดี๋ยวหลงไปดูเดี๋ยวห ล, ลงไปฟังเดี๋ยวหลงไปดมกลิ่นหลงไปลิ้มรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายหลงไปคิดทางใจมันหลงไปทางไหนเรามีสติรู้ทันแต่ถ้ารู้ทีละหกช่องอย่างนี้ไม่ไหวหลวงพ่อบอกเคล็ดลับให้รู้ที่ใจอันเดียวตาไปดูใจชอบใจไม่ชอบรู้ทันหูได้ยินเสียงเสียง น, นั้นเนี้ยใจชอบใจไม่ชอบรู้ทัน จมูกได้กลิ่นกลิ่นอันนี้ใจชอบใจไม่ชอบรู้ทันรู้ที่ใจนี่เองนะเพราะงั้นเราฝึกสติในชีวิตประจำวันเนี่ยเราคอยอ่านที่ใจที่เดียวนี่เองแต่มีตาก็ดูมีหูก็ฟังนะบางคนบกว่าจะฝึกสติแล้วดูอยู่ที่ใจจะข้ามถนนก็ไม่ดูรถยนต์นะถูกรถทับตายนะอันนั้นโง่จะข้ามถนนก็ต้องดูรถสิแต่พอเห็นรถเยอะเลยงุนหงิดทำไมโดนเยอะลนะ่ะปะ นะก็คนประเทศเรารวยอะนะตอนนี้ซื้อรถเยอะแยะเลยเมืองจีนแต่ก่อนขี่จักรยานเยอะแยะเลยใชไหมเดี๋ยวนี้ก็รวยขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนไปเนี่ยพอเห็นรถเยอะ แ, ะแล้วหงุดหงิดดูที่หงุดหงิดนี่นะรู้ทันพอใจห า, หายหงุดหงิดแล้วก็ดูใหม่ทําไงจะข้ามถนนได้นะใช้สติใช้ปัญญาไม่ใช่หมืหูไปข้ามถนนไปนะถูกรถทับตายตอนนั้นนะตกนรกเลยนะไม่ดี เพราอนเวลาเราอยู่ในชีวิตจริงๆนะตาหูจมูกลิ้นกายใจให้มันกระทบอารมณ์ไปแต่พอกระทบแล้วนะเกิดความรู้สึกที่ใจใจมันชอบบ้างไม่ชอบบ้างรู้ทันมันไปเรื่อยๆนะแค่นี้แหละถ้าฝึก อ, อย่างนี้นะถือศีลด้วยการมีสติรู้ทันจิตใจตัวเองไปนะจิตใจก็จะดีมีสติสมิชั ญ, ญาให้มนไม่เบ็ดเป็นตัวเอง แลมันก็ยังไม่ถูกทีเลสครับนําไม่ไปบิดเบีย น, นคนอื่นศีลเราก็ดีจิตใจเราฟุ้งซ่านไหลไปห น, นีไปคิดรู้ทันหนีไปคิดรู้ทันหรือไหลลงมาในร่างกายรู้ทันฝึกตรวที่รู้ทันว่าจิตไหลสมาธิจะเกิดจิตจะไม่ไหลนะแล้วฝึกได้ชํานาญตัวนี้แล้วมาอยู่ในชีวิตจริงนะตาหูจมูกลิ้นแก๊สใจกระทบมารมจิตไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นแก๊จรู้ทันอันนี้กเก่ง ถ้ารู้ไม่ทันตรงนี้ก็ไม่เป็นไรรู้ที่ใจอันเดียวเห็นรูปนี้ใจชอบเห็นรูปนี้ใจไม่ชอบได้ยินเสียงนี้ใจชอบเสียงนี้ใจไม่ชอบดูที่ใจนี่แหละฝึกอยู่ในชีวิตประจาวันถ้าทำได้นะ้ามากผลนิพพานไม่ไกลหะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วอพอสมควรแค่เวลาหนึ่งชั่วโมงพอดีเป๊ะเลย ขอชาวจีนขออากาศขอเข้ามาพรลักษณ์นาทตั้งนโมพร้อมกันนะครับแล้วก็กล่าวคาขอเข้ามาคนไทยก็กล่าวคําขออข้มาเป็นบาลีหลังจากนั้นคนจีนก็กล่าวคําขออข้มาเป็นภาษาจีนพร้อมกันนะนโมตัสสะ พะขวโตอรหโตสัมมาสัมพุทธสัคนะโมตัสสะพะขวโตอรหโตสัมมาสัมพุทธสัคนะโมตัสสะพะขวโตอรหโตสัมมาสัมพุทธสัครัตนทตเยปามาเดนะเดวารัตเยนะกะทังสับบางอปาราทัง ขมาตุโนพันเตรัตนตเยปมาเดนะดวารัตเยนกตังสัพบางอปราทังขมะตุโนพันเตรัตนตเยปมาเดนะดวารัตเยนกตังสับบางอภราทังขมะตุโนพันเตถ้เหากว่า 对于三宝有任何的过失与不敬，包括对于每一位正等正觉的佛陀、每位独觉佛、佛法以及所有的圣僧们，无论是在过去生、今生，无论是以身、口、意的方式是知道的还是不知道的，总之，如果对于三宝有任何的过失与不敬。 请求所有的正等正觉的佛陀、所有的独觉佛、佛法、所有的圣僧们，以及所有对我们有恩的人，请求原谅与宽恕我们，从现在直到涅旁。เอวังโคตูเอวังโวาปัชฌะโติโซมังโลกังปพวัจันติมา ยัตสาปปังกตังกัมมังกูสะเลนาปิยาติโซมังโลกังปะพาเสติอพภามุตโตวจันติมาอาภิวาธนาสีลิสนิจังุทธาปัจายิโนจั ต, ตารธรมาวะทันติอายุวนโนสุขังพลังขอให้เจริญในธรรมนะทุกๆคน